ต้นฟั ง, งที่พค่คนี้คือรายการสัสนนิษณีย์สนทนาค่ะสัสนนิษณี์สนทนานี้เป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ในปีนี้2555เป็นปีที่ชาวพุทธทั้งหลายดีใจมากที่ได้รู้ว่าศาสนาที่เรานับถือมีพระาศาสนาคือพระพุทธเจ้านี้พระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าให้กับเรามาเป็นเวลา 2,600 ปีถึงปีนี้แล้ว นะคะแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองใหญ่กันมากมายของเราไม่รอให้ถึงวันที่รัฐบาลกำหนดนะคะเราฉลองกันเลยทันทีที่แววข่าวเพราะว่ารายการเราจริงๆก็ได้โฆษณานะคะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้ถึงคุณของธรรมะของพระพุทธองค์โฆษณาในที่นี้หมายความว่าเผยแผ่หรือเผยแพร่นะคะไม่ใช่เป็นการที่พูดอะไรที่มันเกินความจริงเพราะ ธรรมะของพระพุธองนั้นเป็นเรื่องจริงเท่านั้นเดิฉันพูดจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวไปถามจากพระาอาจารย์เพริปุญต่อไปนี้เลยนะคะในมัศการกกค่ะท่านคะเพอพูดถึงเรื่องการโฆษณานะอันนี้ก็มีสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนะคุณอมติวเพราะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นแ ล, แล้วก็ถ้าเรามารวมกับสิ่งที่เป็นสัมมาอ่ะขอไปสิ่งที่เป็นโยนิโสมณัสสิกานสองอันนี้บวกกันเนี่ย จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิได้อืแต่ถ้าเอาความอาการโฆษณาชวนเชื่อของชนเราอื่นนะมารวมกับการอโยนิโสมนัสิการคือทําในใจโดยไม่แยบคายน ะ, ะก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้อ อ, อย่างเช่นว่าถ้าเขาจะพูดถึงว่าเออคุณไปบูชาต้นไม้นี้สิดีเราเขาโฆษณากันเต็มที่เลยน ะ, ะเราต้องมาใช้โยนิโสมนัสิการละถ้าเราโยนิโสมนสิการเราจะเกิดสัมมาทิฏฐิได้ ออืแต่ถ้าเราอายโยนิโสเราจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะต้องระวังตรงนี้นี่ก็เนื่องแต่คําว่าโฆษณาแล้วที่ดิฉันบอกว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นมีแต่ความจริงเท่านั้นจริงไหมคะท่านค ะ, ะความจริงเนี่ยพระพุทธาอย่างพูดถึงไม่ใช่จริงธรรมดานะจริงที่ประเสริฐด้วยออืจริงที่ประเส ร, ริฐคือความจริงบางทีรู้แล้วไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกําหนัดไม่เป็นประเสริฐก็มี นะแต่ความจริงที่พระเจ้ากำลังพูดถึงเนี่ยเป็นความจริงที่ประเสริฐที่นี้เราวัดได้ยังไงล่ะเราวัดได้ตรงที่ว่าสมมุติเราไปเรียนรู้ความจริงอันนีนะ้ความจริงนี้มันต้องตรวจสอบได้ก่อนนะว่ามันเป็นจริงไหมถ้าตรวจสอบได้ด้วยวิธีที่รู้ได้ด้วยตารู้ได้ด้วยหูเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคดีคือหมายว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือวัชนิดพิเศษหรือว่าอะไรที่มันแบบคนทั่วไปเขาไม่มีกันแต่เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตาด้วยหูของเราอันนี้ถือว่าดีนะค่ะนะ แล้วที่ประเสริฐเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ยจิตเราประเสริฐนะหรือว่าของสิ่งนั้นประเสริฐเนี่ยเราก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละเราสามารถดูได้ว่าเอ๊ะธรรมะเข้ามาในจิตเราแล้วเราดีขึ้นไหมเราสบายใจขึ้นไหมเราเบาขึ้นไหมเราเอ่อมีความสุขขึ้นไหมนะเราดูได้ตรงนี้เลยก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นประเสริฐหรือไม่อืมนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นวิธีพิจารณาอืแล้วก็เป็นการที่ให้ความรู้เราว่า สิ่งที่พระพุทโธสอนเนี่ยไม่ได้จริงธรรมดานะอืเป็นความจริงประเสริฐด้วยประเสริฐด้วยใช่อย่างที่พระพุทจ้าพูดถึงที่เป็นภาษาบาลีก็คืออริยสัจนะความจริงที่ประเสริฐเนี่ยสัจจะสัจจะคือความจริงใช่ไหมอริยะก็คือประเสริฐเพราะนั้นอริยสัจก็คือความจริงที่ประเสริฐหนึ่งในความจริงที่ประเสริฐตรงนี้คุณโยมเต๋อคือเรื่องของความตาย ค, ความตายแประเสริฐย<ม>ังไงแบบคะบางคนบอกอุย้ยกำลังกลัวอยู่เลยเ<อ>ดิฉันเห็นคนสูงอายุบางคนนะคะคือพอเริ่มแกเ่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายนั้นกลัวค่ะเพราะจินตนาการไม่ออกว่ามันจะมาอีท่าไหนหลังจากนั้นมันเป็นยังไงน่ากลัวแค่ไหนมีคนแก่คนหนึ่งที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดหนไห่โศนะเขาก็ไม่เคยไล่ต่มาฟังว่าเขากลัวผีมากเลย ค่ะเขากลัวผีอยู่ในวัดเนี่ยแล้วก็กลัวนั่นกลัวนี่อะไรต่างๆพอเขามานั่งสมาธิคุณยมติว๋วเขาก็พิจารณาเห็นว่าเออเรานี่มันแก่ป่านนี้จนจะเป็นผีอยู่แล้วแล้วมากลัวผีอะไรอีกนะแก่จนจะเข้าลงเป็นผีอยู่แล้วยังมากลัวผีอีกเนะี่ยสุดท้ายคือเขาวางได้คือเขาก็ไม่กลัวผีอีกแล้วเขาก็มาพูดให้ฟังอ่นะค่ะ <laughs> ประเด็นที่พูดถึงตรงนี้คือเรื่อ ง, องความตายเยคือความแก่เนี่ยมันทําเปิดทางให้ความตาย คือความแก่เนี่ยมันนําโรคนําอะไรสักอย่างมันเสื่อมอเสื่อมไปหมดมันก็จะทําให้เราแบบเปิดทางไว้ให้ความตายอันนี้ความตายที่บอกว่ามันเป็นความจริงคือทุกคนนี้ไม่พ้นอันนี้ความจริงอันที่หนึ่งอย่าไม่ว่าจะเป็นราชามาข้าศัตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าเราเข้าใจความจริงเรื่องความตายเนี่ยจากแง่มุมว่าเออมันมีอะไรมาเกิด เราเข้าใจวิธีการที่จะแก้ความตายเราเข้าใจว่าความตายคืออะไรเราเข้าใจเหตุของความตายเข้าใจแค่สามอย่างเนี้ยถือว่ามองเห็นความจริงของความตายละใช่ไหมพอเราเห็นจริงอย่างนี้ได้เราปล่อยวางได้เพิบเราแก้ที่เหตุนั้นดับที่เหตุของความตายได้อันนี้เราคือจะพ้นเราจะรู้เราจะรู้อย่างนี้อันนี้ก็อเรียกว่ารู้ว่าประเสริฐละค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ท่านก็พูดเรื่องความตายซะแล้ว การศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเรื่องความตายไปพูดตอนอายุเจ็ดสิบแล้วไม่ดีหรอคะเอ่อความตายนี่คืออะไรก่อนความตายนี่คือความสิ้นไปสิ้นไปของอายุน ะ, ค, ะความแก่รอบของอินทรีย์ไอที่เขาบอกว่าคันแก่คันแก่แล้วเด็กเกิดมานั่นก็ตายไปทุกขณะแล้วนะเห็นความสิ้นไปโดยรอบแห่งอายุคืออายุคุณมากขึ้นเนี่ยก็คุณก็ใกล้ความตายขึ้นมาแล้วนะคือตายกิตายคือตายไปทุกปีอยู่แล้วอ่คือความตายมันมีซ่อนอยู่ในชีวิต อย่างที่เราบอกว่าเราอายุแก่แกขึ้นใช่ไหมจาก16ปีเป็น17ปีคุณให้เซลล์ในร่างกายคุณะ่ะมีอายุแค่2ปีเองใน2ปีเดี๋ยวมันก็ตายนะหัวใจเราก็เซลตายเซล์ใหม่เกิดขึ้นมีความตายเล็บเราก็ยาวออกมาไดแสดงถึงเซลล์ตายผมเรางา อ, อกมาก็คือเซลลมันตายแล้วนะมันมีการตายอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นไงค่ะอืมทีนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งมาเห็นได้นะโอ้โหคุณนี้เรียกว่ า, ารู้ความจริงนะอืมค่ะ ความจริงแบบนีุ้เห็น ท, ทุกแง่มุมทั้งเหตุผลข้อดีข้อเสียอันนี้คือคุณจะรอดพ้นจากมันไดน้นึกตามแล้วก็ชวนสยองขวัญเหมือนกันจริงหรอเ น, นี้ยผมร่วงเมื่อเช้าร่วงตั้งหลายเส้นนี่คือสิ่งบ อ, บอกความตายแล้วหร อ, อค่ะเซลล์มันตายไปไงค่ะทางกันแพทย์เขาก็จะที่ผมงอกมาว่าเซลล์มันตายเป็นซาก ข, ของเซลล์ตาย แล้วถ้าเราไปโอ้โผมสวยจังเลยคุณรู้แหมน่าจะซากเซลตายซากศพนั่นน่ะถ้าเห็นอย่างนี้เหตุเกินตามที่เป็นจริงนะะทีนี้เมื่อวาเรายังตดดค้างกันอยู่ที่ว่าไอ้เรื่องของความตายเนี่ยมันมีโทษยังไงคือบางคนจะไปคิดว่าความตายแล้วเนี่ยทําให้คนที่เป็นอยู่เนี่ยมีความทุกข์อย่างสมมุติสามีตายใช่ไหยภรรยายนี่โอ้เป็นทุกข์ลูกเป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่ทุกข์ของคนตายทุกข์นั่นคือทุกข์ของคนเป็น แต่ทุกของคนตายจริงๆคืออะไรทุกของคนตายเนี่ยคือการที่เขาจะต้องอพลัดพรากจากของที่เขามีทั้งหมดชเช่นว่าเขาจะมีความสุขอะไรจะได้อยู่กับภรรยาจะได้แต่งงานเล่นกับลูกและมีเงินใช้พวกนี้เขาหมดเลยนะไม่ได้เลยนะจบเลยนะถ้าตายนั่นคือความความทุกข์ของเขาเป็น<ม>ถ้าเราเห็นตรงนี้เป็นความทุกข์ของผู้ตายเนี่ยเรามาพิจารณานะเราจะเ้าเรียกว่า ไม่ประมาทมัวเมาไม่เป็นผู้ลุ่มหลงจะสามารถเป็นผู้ที่สร้างกุศลธรรมนะครือก็ เ, เรียกว่ากายวาจาใจเอนเป็นสุจริตได้อย่างนั้นเถอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรารับฟังข่าวเรื่องความตายเห็นคนนั้นตายข่าวหนังสือพิมพ์บองคนก็ตายเาให้ทำใจไว้เลยว่าเฮ้ยเราสักวันหนึ่งไม่รอดแน่ไปเราทำไงดีรีบสร้างความดี ค่ะน่่ดิฉันเนี่ยก่อนที่จะให้ท่านพูดถึงเรื่องพุท ธ, ธชยันตี <S <S คือพุท ธ, ธชยันตีเนี่ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาบนโลกใบนี้ปีนี้เป็นปีที่ <S <S อสองพันหกร้อยดิฉันยังมีคนใกล้ๆตัวนะคะเขาเป็นเด็กสาวเชียวมาจากตางจังหวัดนั่งดูทีวีด้วยกัน <S <S ในรายการโทรทัศน์เนี่ยก็พูดถึงพระบรมสารีริกธาตุ <S <S นั้นก็เลยถามวาว่ารู้จักไหมเนี่ยว่าคืออะไร เขาเขามันมีอะไรกระดูกระดูหรือเปล่าคะเราก็เฉลยได้เป็นกระดูเพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ถามต่อเพราะว่าในข่าวนั้นน่ะเป็นข่าวที่เจ้านายเนี่ยเสด็จพระราชดําเนินไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปน้ำมศการพระบรมศสารีรกทาตุแล้วก็มีการพูดถึงพุทธประวัติของพระพุทธองค์อืเขาถามดิฉันด้วยคําถามที่น่าสนใจมากแล้วดิฉันจะมาถามท่านเดี๋ยวนี้เทวินพานพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงด้วยหรอคะ ท่านจะตอบอยังไงคะท่าเป็นท่านเอก็ต้องพิสูจน์เอาคืาอถ้ามีอยู่จริงหรือไม่เราก็มาพิสูจน์ดูว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่ใช่ไหมคือคือถ้าเราสั่งแต่ว่าฟังคนอื่นเขามาพูดเนี่ยดูหลักฐานว่าพุทธรูปอะไรต่างเนี่ยเรามันไม่แน่ใจหรอกเราก็ต้องมาศึกษาคือพระพุทธเจ้าเคยพูดเอาไว้อย่างคนจะเห็นช้างเ่ยคุณเห็นรอยสีตัวของช้างคุณเห็นรอยเท้าช้างคุณเห็นรอยแสะงาช้าง คุณเห็นรอยที่ช้างมันเดินไปเนี่ยคุณยังไม่เห็นตัวช้างยังไงคุณก็ไม่แน่ใจหรอกว่าช้างมันอยู่จริงหรือเปล่ปาเป็นช้างพันุ์นี้แน่หรือเปล่ปาจนกระทั่งเมื่อคุณเห็นตัวช้างโอ้โหใช่จริงจริงวัยอย่างนี้นะค่ะเช่นเดียวกันวิธีตรวจสอบพระเจามีอยู่นะให้ง่ายๆถ้าพูดตามหลักการตรงนี้เนี่ยพระเจ้าก็ เ, าเคยตรัสเอาไว้นะว่างั้นเธอปฏิบัติตามาธรรมะเนี่ยเอาก็แล้วกันไปฏิบัติตามธรรมะใช่ไหม Ee, เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะจะได้ผลอย่างนี้ขั้นที่หนึ่งเป็นนี้ขั้นที่สเป็นนี้ขั้นที่สามี้ขั้นที่สี่เป็นนี้ไล่ไปไล่ไปเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วได้ผลจริงนะคุณจะมีความมั่นใจว่าเฮ้ยคนคนที่มันเอาข้อมูลนี้มาให้มันน่าจะมีอยู่นะนึก right? ออกไหอแล้วถ้าเรานี่คือหลักฐานทา ง, งด้านธรรมะเหมนที่เราตรวจสอบได้ด้วยตัวเองทีนี้หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์อย่างอื่นๆอย่างเงี้ย อย่างที่อินเดียมีสถานที่ตรงนี้อยู่มีบันทึกตรงนี้สอดคล้องกันอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พอจะเป็นข้อมูลได้ค่ะดิฉันก็ตอบเข้าไปเฉพาะว่าร่องรอยแห่งการเกิดขึ้นของพระพุทธองค์บนโลกใบนี้และดํารงพระชนชีพอยู่เนี่ยมีจริงที่ประเทศอินเดียและเนปาลแต่ไม่ได้ตอบมุมที่ท่านพูดถึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เราสามารถพิสูจน์ด้วยตนเองได้อืใช่ อันนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะคิดเหมือนกันแม้กระทั่งบางคนน ะ, ะท่านคะที่ท่านเชื่อะครับว่าอาจมีบ้างที่ไปพบสถานที่ประสูตรัสรูุ้วรินิพานอมแสดงปฐมเทศนาแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่านานมาแล้วมันจะมีจริงๆหรออะไรเออนี่มันอุปโลงมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใมีสิทธิ์คิดเหมือนกัน ส, กนสมัยก่อนสมัยก็กเป็นอย่างงั้นเหมือนกันก็มีแบบรูปเหรียญพระพุทธเจ้านะะ <c oughs> รูปเหรียญพระพุทธเจ้าแล้วก็ โอ้เชื่อแบบศักดษษิษ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะโดที่เราไม่ศึกษาธรรมะอะไรของพระเจ้ชชาเราไม่รู้เรื่องอะไรมากเนี่ยที น, นี้พอเรามาศึกษาธรรมะมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราพบว่าโอ้พระเจ้าพูดอย่างนี้พระเจาตรัสอนี้พระเจ้าปฏิบัติอย่างนี้เอามันไม่ค่อยเหมือนกับที่เราเคยรู้มาเอาไหนลองทําดูซิโอได้ผลอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าเคยพูดผลห้าอย่างนี้ลองทําดูโอ้ได้อย่างนี้จริงๆคือเราทําให้เราไม่สามารถคานได้เลยเออไม่คานคานไม่ได้เลยแม้ตรงนี้จะมีเหมือนกับช่องโบอยู่ นะตรงนี้น่าจะผิดตรงนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะขัดกันตรงนี้มันไม่ขัดกันเลยพอไม่ขัดกันเราก็มีความเชื่อมันมากโอ้พระพุเจ้าต้องมีแน่นอนอย่า ง, งนะี <c oughs> ้คืออันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจาบท่าน <c oughs> แต่ว่าท่านพูดถึงเหรียญพระพุทธเจ้าก็จึงอยากถามท่านเหมือนกันนะคะว่าท่านพกเหรียญอะไรอยู่เปล่าคะ <c oughs> ของพระพุทธองค์เนี่ยคะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีคือสลัดทิ้งหมดแล้วก็คือตั้งแต่บวชใช่ไหมค่ะอพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ทําไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้หลายก็ศึกษาแจ ธรรมะนี่เท่านั้นเองอคือเหมือนกับว่าธรรมะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือไงคะอันนี้เป็นนะเป็นพุทธวจนะด้วยนะว่าสิ่งที่บอกสอนไปนแล้วธรรมวินัยเนี่ยเป็นตัวแทนของเรา่นะไม่ได้ให้อะไรอย่างอื่นไว้เลยอืมไม่ได้ไม่ได้บอกให้อาสาทิ่บุตรเธอช่วยเราต่อนะหรือใครช่วยเราต่อแต่ว่าให้ธรรมะวินัยเนี่ยเป็นเครื่องแทนไม่ได้ให้อะไรที่เป็นวัตถุไว้เลยอ๋อคือเหมือนกับว่าไม่มีมอรโดกแบบอย่างกับถ้า เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองก็ยังมีนะคะที่ในบางแบบก็จะมีการสืบทอดกันใช่ไหมคะแล้วก็อ่าหลายๆ ล, ลักษณะในบางครอบครัวกับลูกต้องเป็นกำนันเหมือนพ่ อ, อลูกจะเป็นสสเหมือนพ่ออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้มอบใครอย่างนี้มอบไว้ให้แต่ภาระที่จะสืบทอดคําสอนหรือมอบไว้แต่คําสอนใช่มอบไว้แต่คําสอนคือมักแผ่นั่นเอง ท่านคาทิลี่ในกรณีสมมติคนเนี่ยอาจจะอยู่ในฐานะที่มีคนมอบให้เยอะสําหรับรูปของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นคนที่พอจะเข้าใจแล้วละ่ะว่าสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือคําสอนใช่แล้วก็จะอยากยึดแต่เฉพาะคําสอนอแต่ก็ประดักประเดิดไม่รู้ว่าจะเอาพระพุทธรูปหรือพระเครื่องไปไว้ที่ไหน วิธีที่เหมาะสมที่จะทำเนี่ยอันนี้ในทัศนะของท่านเดานคิดยังไงคะในความเห็นอาตมาก็จะเก็บไว้สักที่หนึ่งที่มันอไม่ได้คือคือคนอื่นเห็นแล้วเขาก็จะไม่รู้สึกมีภาษาที่ไม่ดีอน่นะคือทั้งคนอื่นเห็นแล้วเห็นว่าจะมีภาษาที่เราไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ทําเพราะว่ามันจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยนะแต่เราก็จะตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสมนั่นแหละ น, น, นะคะก็ต้องเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมนั่นแหละดิฉันก็เข้าใจว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าขอให้เมื่อเห็นคราวใดให้นึกถึงธรรมะของพระพุทธองค์ด้ยค่ะใช่<ๆ>อย่างอย่างการที่จะนึกถึงบุรุษชาตินะคุณโยมติ๋วมันได้ทุกเหตุการณ์นะเมา่อมาเห็นต้นโพนี่เราก็นึกถึงบุรุษชาติละเห็นหรือว่าเขาเรียกเห็นเห็นกุฏิอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงบุรุษชาติละหมายถึงกุฏิพระทั่วไปเนี่ยเหรอคะใช่ นึกถึ ง, นถงในแง่มุมไหนถ้าอย่างต้นโพดิฉันยังนึกออกว่าอาจจะนึกถึงตอนปฏิบัติธรรมตรัสรู้ใต้ขัวงไม้โพแต่กุฏิเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่า เ, าเป็นที่ที่หลบฝนหลบหนาวตรงนี้เท่านั้นเองนะอ่านี้พระุเจ้าสอนไว้บอกไปยันชนะตรงนี้อย่างเงอ๋อค่ะคือสําหรับกุฏิพระพุทธองค์บัญญัติไว้ว่าเป็นที่หลบฝนหลบหนาวอะคะใช่เป็นที่หลบเหลือบยุงลมแดดคุ้มกันภัยตรงนี้เท่านั้นเองลักฐา น, น ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านคนมีสตางเนี่ยคนละแบบเลยนะคะอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นเครื่องประดับประดาความเป็นคนมีสตาง อ, อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคะเพียงแต่ยกให้เห็นว่าบ้านของพระผู้ที่ปราศจากกิเลสแล้วที่อยู่อาศัยของผู้ที่ปราศจากกิเลสแล้วเป็นแบบหนึง่งของเราเราท่านๆก็ยังเป็นอีกแบบนึงอยู่่ะใช้มันให้ถูกก็ละกัน ท่านคะทีนี้วันนี้เวลาคงไม่เหลือที่จะ<ว>ที่จะสนทนาต่อเ อ, อไว้ก็ต่อพรุ่งนี้ก็ได้เรื่องเกี่ยวกับ อ, อพุทธวนจะนะในตอนหลังจากตัดสรู้ค่ะวันนี้ก็นวัฒการขอบพระคุณนะคะสําหรับท่านพิบูลอภิปุโนคะ่ะนวัฒการาค่ะเพื่อนฟังคะเวลาสนทนาไปสนทนาไปดิฉันชอบเพลินทุกทีเลย ก็เลยคงจะพูดอะไรไม่ได้มากทิ้งท้ายในวันนี้นะคะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ ล, ละสำหรับรายการสนสนิสนทนาที่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และวิทีุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทวัสสวัสดีค่ะ